เออวันนี้เมื่อนี่ยเนอะพี่น้องลูกหลานคณะสะทัทถายาโย่อมเมืเออม่อกี้นี่ท่ายกพัน阿拉ธานาเทศหลวงพอ่ออินถวายวัดปาน่าคำหน่อยจะเป็นองค์แสดงธรรมกําลังหนึ่งขึ้นน่งถ้ำมาติแหละที่ศีบอกยังให้พี่น้องลูกหลานคณสะทัทถาญายดย่อมเลยฟังเมื่อนี่เป็นมือมองค้นมหามงค้นเป็นงานสมโพธเจดีหลวงปูสอน ปัญญาวะโลและทอดกระถินสมัคคีวัดป่าภูคันจ้องบ้านคำร่วงตําบลคำร่วงอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีแล้วก็วันที่สิบห้าพจิกายนพุทธศักราช2556แล้ว้และมืออื่นเป็นวันที่สิบหกเป็นการทอดกระถินสมัคคี เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อบำรุงวัดปลาผู้ขันจ่องของพวกเฮาเนอพี่น้องสัทธาญาติโยมทุกมูทุกเล่าคันว่าผู้ใดจิตได้กัปเมื่อนี้ก็เอาฝากจตุปัจจัยไว้ก้อนใส่ตู้ไว้ตู้บริจาคไมโยเพื่อให้ได้บำรุงพระพุทธศาสนาพอวัดว่าศาสนาแต่ละปีปีหนึงก็มีขั้งเดียวนะ่ะที่มีการทอด กรินหรือทอดผ่าปลาบำรุ่งพวกเข้าเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทก็คือบริษัทจังบริษัททางล้านบริษัทจำกัดบริษัทอย่างที่ในเมืองไทยมีจังเยอะแจะอันนี้วกเข้าในน้ำพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพุทธทเพรนั่นปีหนึ่งพวกเข้าก็ได้ธนุบำรุ่งบริษัทของผวกเข้า ตึงจะมากหรือน้อยอันนั้นก็นตามกําลังรัท่าว่ามีการบังคับกันแต่ว่าถึงยังไงคือนอาทีพวกเฮาจะต้องสั่งบุญส้างกุศลกันหาว่าพวกเฮาบสัง่งกุศลก็บบอเกิดเลในหลักธรรมขัามสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมขั้สอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าปุญญาณิปรลโล ก, กัดสมิงปฏิฐาโหนติปานิหนัง บุญยอมเป็นที่พึ่งของทรัพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี่และโลกนาคานาวาโลกนี่คือกันคานว่าผูโบได้สั่งคุณงามความดีคุณงามความดีจะขูมข้องเฮาใดจังใดมิแต่ทำแต่ความซัวเอ่อการสั่นมุนโนไปหาเออป่อนหาจี้หาลักหาคดหาโกงเขาเอ่ในพบนี่ชาตินี้เอ่อความบ่ดีก็จะต้องตกมาหาเดี๋ยวเขาก็จับเขาคุกเขาตาล่าง คณะว่าเฮ้าประกอบแต่คุณงามความดีไปสถานที่ใดเฮามีแต่ไห้มีแต่ทรงคออนุเคาห์พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมีแต่ส่งว่องสาขาหนาหยาดไปใส่มีแต่ความอบอุ่นล่ะทีนี้พเพื่อใดเพาะการสร้างบุญเพราะนั่นแรงรักถ้ำข้าสอนของพระพุทธเจ้าพญาวา่าให้มีธานเนอให้มีศีลเนอให้มีภาวนาเนอนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือนี่แหละพัวเฮ้ามา รวมกันแสดงออกซึ่งนําใจเปื่อมาทําท่านอย่างพวกเข้าเห็นนี่แหละเมื่อนี่เป็นงานของฉลองสมโพธิหลวงปู่สอนหลวงปู่สอนเนี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วว่าเป็นมูของหลวงปู่เพียรเดชพ่อจําพะพิษนะ่ะ เ, เป็นมูของหลวงปู่เพียนวิรโยวัดป่าน้องกอง มาแล้วพนเคยบวชน้ากันแต่สมัยเป็นหนุ่มเพนว่าต่อมาเพนละลายชิดขาหลวงปู่สอนนี่อแต่วันนี้ใสด่ดีเขากันได้กับหลวงปู่เพียนบาน่ายนี้ต่อมาเพ่นก็เลยมีหลูกมีเตา่าเพนก็เลยมาบวชป่านี่กบมาบวชเนี่ยเป็นผู้ตั้งใจดีแต่หูบกค่อยดีหอกหลวงปู่สอนนี่หูบกค่อยดีแต่เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจดีมากใจดีตั้งอกตั้งใจพาอวะหน้าเป็นที่ย่อมรับของหมู่ของเพื่อน ของสหถรำอีกทั้งหลายนี่แหละลกกูกาลวงปูดวงก็องหนึ่งหลวงปูดวงเป็นคนน้าโสมของเฮ้าเนะี่ยเป็นญาติของกับผู้ใหญ่เกง่งผู้จักตู่เกง่งตู่เกง่งคงจุงหุจักแต่หลวงพ่อก็เลยถามว่าเป็นญาติของพ่อตู่แล้วก็ตู่ดวงเลยก็โอ้เป็นผู้ตั้งใจดีขึ้นกันนี่แหละเจดีย์อยู่ข้างล่างแต่ไอ้หนี้ตอมาเนี่ยกันหลวงปูสอนก็นเลยมรณภาพอีกพระ ทรงองค์ขระเจ้าน้องนุ่งทั้งหลายก็เห็นว่าเออเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงปู่สอนนี่ก็น่าจะมีเจดีย์จมย่อมขึ้นมาเพื่อเป็นทีลาลึกถึง เ, ออเพื่อเป็นทีกราบไหวของพวกน้องนองลูกลูกลักลงลานต่อไปผ้ายภาคนาเนี่ยจึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาแบบจมย่อมก่อนดูดูแล้ว ก, กระทัดรัดดีขึ้นกัน เ, ออเพราะนั้นมือนี่ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคล ในวัดป่าผู้กันจ่องของเฮ้ามี่องเจดีน่าลูกหลานคณะสัทธาธญาติโยมเจดีหนึงเจดีหลวงปูดวงเจดีหนึงเจดีหลวงปูสอน น, นนี่เจดีหลวงปูสอนนี่เกิดสุลปแล้วก็คือเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปูเพียนวิริโยหลวงปูเพียนก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวเป็นลูกศิษย์หลักคันผู้ใหญ่เป็นหลวงรับรับคันไปพัวเฮ้ากฤติสางเจดีวัดป่านองกองเด้ เออเจดีย์ใหญ่ฮะนี่แหละอันนี้แหะคือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสําหรับบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เพิินปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพู้เข้าวัดได้สางเจดีเป็นทีล้ำลึกบูชาพระคุณของเพิินนี่แหละให้ลูกหลานเข้ามากราบมาไหว้นียช่วงไหนว่างๆนะและก็พร้อมกันนี่แหะ การแสดงออกซึ่งนำใจคือท่านส่วนศีลก็จะให้ขาดตกปกพ่องเนอคณะทา่าเนี่ยที่งมลูกหลานคนเห่าเี๋ยขาว่าบ่มีศีลบ่มีถ้ำแล้วก็อยู่น้ากันยากลําบากได้เราแว่งแค่งใจกันเพราะเหตุใดเพราะบ่มีโกรบ่มีระเบียบการอยู่น้ากันการอยู่น้ากันบ่มีกรธบ่มีระเบียบบม่มีศีลคุ้มคล้องบ่มีศีลปอกป้อง โลกทั้งโลกกันเดือดร้อนบุญไหว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลหานี่แหละศีลหานี่เป็นศีลคุมข้องโลกมาตั้งแต่ดึกดําบันมาตั้งแต่ในขั้งไหนก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขืนในโลกที่ต่างหากถ้าหากว่าพวกเข้าได้อ่านชาดกต่างๆเ อ, อ่ยจะเป็น เ, ออเวทจันทร์ก็ดีนี่ยมิราดก็ดีเ อ, อ่เตมิยะก็ดีมโหสถก็ดีพวกเข้าจะเห็น ่ในสินหาของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นมาตั้งแต่ดึกดําบันตั้งแต่สร้างโลกเป็นกฎกติ ก, กากันมากหนึ่งยาขากันสองยาข้ามุ่ยกันสให้เคารพสิทธิสามีภรรยาของกันและกันข้อที่สีอยากี่ตัวโกหกหลอกล่วงกันข้อที่หาอยากกินเหล่าให้ขาดสตินี่แหละสินหาของพระพุทธเจ้าสินหาเนี่เป็นสินคุมข้องโลกมากตั้งแต่ดึกดําบัน คานว่าพวกเข้ามีศีลหาประจําหรือว่าเขารบในศีลหาของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเข้าจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเนอ้อการอยู่น้ากันคานว่าพวกเข่าขาดศีลหาและมีแต่ความเรา แ, แว่งแค้งใจกันจักไฟศีขาไปแล้วกับไปน้ากัน อ, อ, อยู่น้ากันกับจกักแมนไฟศิลักขะมุ่ยรองเท่ากันอีกต่างหากออกจากนี่ไปแล้วนะอพะว่าพอมีบ่มีศีลเด ต้องเราแหว่งแข่งใจกันข้อที่สามกาเมฆขึ้นกันสามีภรรยาลูกหลานของไปว่าไปโบกไปคุยก็เราแวงแข่งใจกันแล้วเอมันจะไปทางใดเนี่นี่แหละอันนี้ก็คือป้ามบไวไยใจกันเพราะบ่มีศีลถ้ามีศีลแล้วที่เราบ่บ่บเป็นจังสัตนอันนี้คือศีลข้อที่สามข้อที่สี่มุสาแหยาไปขี่ตัวโกหกหลอกล่วงผู้อื่นเขา อันนี้ก็คือสินคอที่สแต่เมื่อ น, นี่หลวงพ่อจะเบาสินคอที่หาเป็นนิท่านเป็นชาติโกให้พวกเฮ้าได้ฟังได้ศึกษานะเออคือสินคอที่หาเนะี่ยเป็นสินยาไปดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนเฮ้านี่ถ่าดื่มกินสุราขั้นชา้ายาฟินเฮโรอินยาหมากยาบ้าโคเคนอีกยังก็ตามขนาว่ากินหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติ เมื่อขาดเจีและถ้ำความสวัวในทุกอย่างเพื่นว่าเพราะนั้นให้จำล่วมให้ระวังเนอ้อพี่น้องลูกหลานทุกู์ถูกคนขั้นว่าพวกรเข้าอยากจะเป็นคนดีอยากจะมีคนยกย่องนับถือเลื่มใ ส, ส่ซัดท่าไปยูรัสถานที่ใดจีบม่มีโทษมีไพ่ให้จำล่วงให้ระวังเนอ้อของเรานี่เพราะว่าเดืองโซลาเนี่ยมันเป็นของบอดีเป็นของให้โทษมาตั้งแต่ดึกตําำบันเพื่นว่าพระพุทธเจ้าเพื่นว่า เออพอก็เลยปาลบเรื่องหลานของอานาถาบินดิกาเศรษฐีหลานอานาถ า, า, า, าบินดิกาเศรษฐีเนี่ยคืออานาถาบินดิกาเนี่ยเป็นคนตระกูลรุ่ยได้เออพ่อแม่เพื่นกล็ลุยก็แล้วมาแบ่งมรดกกันพอมาแบ่งมรดกกันเน่ะพีไส้ก็ได้ส่วนหนึ่งอานาถาบินดิกาได้ส่วนหนึ่งแต่คนละสี่สิบคนละแปดสิบโกรแปดสิบโกรธพอแบ่งกันแล้วบานนี่ กระตังขนกระตางออกไปสางตระกูลของไผ่คลองมั่นพ่อพี่ไส้เพิินไปเนี่ยไปไปสร้างตระกูลพ่อสร้างแล้วบาดเนี่ลูกไส้บอดีบาดเนี้เออลูกไส้บอดีอวนออกไปสูกไส้มิตเทียวมิตเลนเออบารับทอดเป็นทายาทของพอ่อนี่แหละในหลักถ้มข้าสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เพลินว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่าน ดำรองวงสกุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอลอดเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้มีเป็นนาทีของลูกสาวลูกชายเนอะพี่น้องลูกหลานให้ฟังเอาไว้นะอันนี้ลูกของเอพี่ชายของอณาถาบมิตริกาเศรษฐีนี่บอ่อเป็นยังสั่นเจแล้วบาดเนี่ยบอ่อเลี้ยงพอเลี้ยงแม่แล้วก็บอ่อทาตนให้สมควร กวนรับสับมอระดกพ่อพ่อแม่แกเ่าชาลามาทนันระบาดเนี่ยก็เลยแบง่งแบ่งสมบัติให้ลูกลูกอันนี้กันนะ่ะต่างคนกับต่างเอาเงินไปถลุงจะแล้วบาดเนี่ยไปเล่นการพาน้งไปเล่นการพานันไปกินเหล่าเมายาคบหมูคบเพื่อนเอาไปมาตระกูลเลยเจ้งพ่อแจ้งบาดเนี่ก็เลย เขามาหาอาณาถาบิดีกาเศษรษฐีผูเป็นผูปปเป็นอาวออาวันไปว่าอ่าวแต่เนี้ยผม่มีเงินใส่ผมของเงินใส่น้านําอ่าวแล้วแต่เนี้ยห่ยสูบมันเจีงประนันตีครับแต่เนี้ยเออเอาเอ า, เอาหา้พ่อเอาหาไปแล้วมาขออีกเออพ่อมันมันมือเติบเลยเคลือที่สองนี่เอาอีกอนณาถาบิดีอามันทําไมมาขอทีหนักละ่ะเออมันเป็นยังไงล่ะผม่มีเงินครับ พ่อเถื่อที่สามนี่ยมันเป็นอย่างไรยั ง, ยงมเมาอีกบอกว่าผมเจงมดเลยที่บ้านที่เฮือนทีทํามาหาเลี้ยงชีพผมเจงมดเลยมันเป็นอย่างยังเจงเอ อ, อนตายทีบอเป็นอย่างยังเจงพบผมไปเล่นการพร น, นั่นพบผมไปกินเหล่ากินเหล่าครับพบกินเหล่าย่างมากเลยครับผมก็เลยติดมูติดเพื่อน ผมก็เลยตั้งตัวบไายเมิดขับเมิดตัวครับอานาถาเป็นดีกะเศรษฐีก็เลยบอกเอาเอาหายค่างนี้เป็นค่างชุดท่ายนะไปเอาหายหลายพอสมควรไปตั้งตัวนะขั้นตั้งตัวบรายยาม่าอีกนะขันม่าอีกบานนี่สีส่สจคือใส่ข่าลากออกแท้แท้เด้เพราะต้นเน่กำลาบไวโอนะไปบานนี่พอหาไปแล้วมันกระจายอย่างไรมันบ่มีมัน บ, านบาลา ก็เขามา้าอหลิอีกคนหนึ่ไปพอเขามา้า น, นะถามพอดีเอาอิรีแล้วหนึไปจริงจังเนี่ไปเอาคือค่าใจว่าท่านสมัยก่อนคือค่าคือกันใหม่ใหม่ไพ่เฮ้าทีเด้ยมันบอละคือกันครับอ้อย่างใส่ล็อกข้อแล้วก็ลากออกไปแล้วหนึ่งไปลากคอนออกไปออกจากว้องการออกไปจากบ้านเฮ้าเดียวนี้ว่าจะเนี่ยเฮ้าพอจะเขียนนาลูกนาล้านแบบนี้ว่าจะเนี่ยมั่นเท็ดจังไรโอทูดูได อ, อพอแม่ลำลุวยก็รอคนเดียวเอาป้าทลุงกินเหล่ามัดยังเฮ็ดถึงสี่ใดจงดังใดใบออกไปลูกน้องบริวานกันลากข้อออกไปพอออกไปแล้วบ า, า, บาดเนอณาถามมบุตริก็บบ่สบายใจขึ้นกันนะเพิินมันเฮ็ดเกินไปหรือเปล่าเนาะเฮ้าเหนียวเสน่ปนว่านเพิินก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าตอนบ่าย อ, ออณาธรรมบุตริกะเพราะเป็นยมอุปถากพระพุทธเจ้าเด้ เขไปกล่าวพระพุทธเจ้าข่าวข่าพระองค์ได้ใสคือข่าหลานชายลากออกจากบ้านเมืองอิสันทีเหตุเกินไปหรือเปล่ากองบอลูแล้วพระเจ้าข่าว่านเนี่ยแต่มันเลืออดจริงๆว่าท่านเนี่ยเป็นวานอ่ะเอมันมาขอต่างหลายเถื่อก็บอกแล้วห้ามแล้วท่านเนี่มันก็ยั่งนิสัยก็ยั่งคือเก่าอยู่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าโอ้อนาถาเป็นดิกะเสษถีเดอร์ท่านเนี่ยอันค้นซัวเนี่ย เลี้ยงจังไรมันก่ใหญ่บ่เป็ดว่าสันนี่ยนี่แหละ ว, วิญญาณอันนี้แหละเร่าตถาคตเคยเลี้ยงมาแล้วแบบนี้ว่าสันปนว่าแต่ถาคตนี่คือพระพุทธเจ้าเนี่เคยพบเคยเจอมาแล้วเนี่ยวิญญาณดวงนี้แหละ ว, ว่าสันเนี่ยอันนาถามมิติกาเศรษฐีก็เลยถามกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าขา่าเพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเข้าเป็นเศรษฐีอยู่กรุงพัลลานาศีว่าสันปนว่า เราเป็นเศรษฐีใหญ่อยู่ในกรุงพารานาสีในกรุงพารานาสีนั่นเฮ้าขอตั้งโลงท่านเพราะเขาเป็นเศรษฐีเขาล่ํำรวยเต็มทีเขาจิตใจเขาเป็นกุศลในจิตในใจเฮ้าก็เลยตั้งโลงท่านสีมุมเมืองสีประตูเมืองคนไปสาหรับประตูละแสนให้ประตูละแส น, นเวลาคนเของมากเดินทางมากเจ็บไข่ได้ป่วยเลย เดินทางมาก่มมีอาหารการบุญพวกตรตกรันมันบมมีล้านค้าคงจะบอกคือจังคู ม, มือนี้มั่งเขาตั้งเป็นล่งท่านเขาก็เลี่ยงคนคนเดินทางไกลมือไอ้มากกะเลี่ยงสี่มุมเมืองและะ้วก็โย่ในกลางเมืองอีกล่องท่านหนึ่งแล้วก็ในประตูบ้านของเจ้าของอีกล่องท่านหนึ่งรวมแล้วเป็นหกล่งท่านจ่ายงินมือละหกแสนกะหาปะหนะพันไป เศรษฐีผู้นี้ไปจิตใจของันเป็นกุศลตลอดเนี่ยมือเศา้าไปเยี่ยมลงท่านนั่นไปเยี่ยมลงท่านนี้จิตใจนเออพมด้วยศีลด้วยท่าน น, นไปอพอจากนั้นต่อมาพา่ีลูกชายอีกผู้หนึ่งมาเนี่ยลูกชายผู้นึงแต่ลูกชายผู้นี้ก็เน่แหละหน้าตาดีแต่ก็พอก็พยายามสอนลูกคนไปให้ให้เดินตามพ อ, อดูลู ก, กหเดินตามพอนะเหตุแบบพอนี่เ ตะกูลของเข้าก็เงินของเขากับมีพ่ออยู่ออให้ทำบุญทํำทานนะลูกเนาะแต่ลูกชายบ่แล้วต่อหน้าพ่อก็ดีอยู่เอแต่ว่าต่อหลับหลังใบใบบ่อยบ่อยใบใบวนไปเอบา่ตามท่ำขํามพอสั่งเน่ะพ่อต่อมาบาดพ่อก็เลยตายพ่อพอตายจะนี่ลูกผู้นี่บ่เหตุตามพอสั่งแต่แล้วบาด พอนี่โอ้ยโง่ไปหาสรงขอผู้อื่นได้ยังนี่จะเอาเงินคนไปให้เลี้ยงผู้อื่นเฮ้าเนี่โอ้ยบอ่อแล้วจะกินมันมืดนะเอาไปมาก็ได้สมัครพักพวกหมูพวกเพื่อนเอาเหลามา ก, กินจะแล้วบ้านพอเอาเหลามา ก, กินแล้วก็เอาดนตีม้าเล่นสนกชนานคืนแข่งม้วนเชนแต่แล้วบ้านีโอ้ยค้นก็ชอบนะคนก็ล้างไหลมากว่าเสษฐีใจใหญ่มาแล้วไป บอกคือพอพอในะขี่ทีมีจฉาให้ท่านอย่างเดียวแต่พอลูกชายนี่บ่เห็ดคือพ อ, อไป อ, อพวกนักเลงนักเลงสุราทั้งหลายข้อสุราทั้งหลายจะชอบใจ grab ลูกเศรษฐีผู้นิยอนไปต่อไปกีดไปกีดมากขึ้มิจฉาไดนผมว่าทํามากค่า ข, า, ขายแมนบอละ่ะเอาไปมากก็เจ๋งใชแล้วบาทพ่อเจ๋งแต่ถ้าผู้พอเนี่พอตายแล้วไปขึ้นอยู่สวรรค์เด้ ไปเป็นพระอินยุ่ทั้งฟ้าพอนะยุ่งสันดาวดึงพอนะ เ, เศรษฐีผู้ทีมีน้ำใจเนี่ยออพออัอ น, นี้ทรงท่านคนเนี้ยคนกว่างขวางเน้ยผู้ทีมีกว่างขวางเป็นผู้ทีมีน้ำใจอ น, นิส้ทรงท่านเนี่ยนั่นแหละไปอยู่สวรรค์ชันดาวดึงเป็นพระอิ น, นแต่ลูกชายในบาทเนี่ย เ, เล่นไปเล่นมากกินไปกินมากเมด่เจ่งบาทเนี่ยพ่อแจ่งมากขายให้ขายหน้าขายเฮิอนขายสั้นขายมัดกิจการ เอาไปมากเลยเป็นคนขอท่านบาดไปนคนขอท่านผู้พออยู่บนสวรรค์เหลียวเหลือบลงมาเบิงทั้งไตโอ้ยลูกของขาดเป็นยังไดเนาะจะไห น, นเออบางทีรักษาแนวทางของพอได้บนน่นอ่อนพ่อมาเบิงที่ไหนได้มันเจ่งพอแห้งแหะจนแหละตายเหตุยังไงฮะ น, นี่ผู้พอก็ยังยังนับถือว่าเป็นหัวอกของของพออยูด่ดีลูกถึงจะชัวรปันได้พอก็ยังนับถือว่าเป็น เป็นลูกของพออ่อโยนอไปบ้านนีอก็เลยโรคมา อ, อโลคมากับมาหาลูกนิรเมตรตัวเองเหมือนกับเป็นเป็นเศรษฐีสมัยกอ่อนนั่นแหละคนเราไปอลูกพอ่อผููพอ่อลูกชายในก็จําได้ว่าเป็นพ่อของเจ้าของคนเราไปพราะพระ อ, อินทร์เป็นนิลเมตรเป็นพ่อของ เ, ออเศรษฐีตกทุกข์ก น, นั่นเองพ่อมากเลยโอ้เป็นไงังองลูกลูกยอดที่รักพีน่นวลเดช เออพันเ อ, อื้นลูกเพันเ อ, อ้เ อ, อยอดทีละของพอ่อใช่ไหมเป็นยังไงเออจะเนี่ยโอ้ยพอผมตกถูกตกจนแล้วจะ่นีย่ยเป็นยังไงเลยยังตกจนว่าจะเนี่ยโอ้ยผมทําตัวบอดีเ อ, อผมบริเหตยังพอบอกแล้วจะเนีย่ยผมก็เลยกินเหล้าเมายาติดมูติ ด, ตดเพื่อนโอ้ลูกเ อ, อ้ยต่อไปนี่ลูกสิสำลอมระวังไดบล่ล่ะได้ครับผมจิกลับตัวกลับตัวไมค์คานวา ผมจีรุ้ยคือเกา่าเสียนคือเอาผููพอก็เลยให้หมอหนุวยหนึงมาหนิหมอดิ น, นวนออกไปมอบหมอดินให้หนุวยหนึ่งเอาลูกเอ้ยขนาดว่าอยากจะได้เงินเท่าใดก็ให้อตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ล่วงเงินเข้าไปในหมอนี่เด้อเรื่องจะได้เท่าใดแล้วกิความจเจริญลุงเรื่องความรุ้ยก็จะเกิดขึ้นมาอีกขับลูกอีกครับผม บาฮาเลยพระอินทร์ก็เลยเป็นคนดีทะลุเด้อให้สางบุญสางกุศลทะลูกเนอะสร้างเสียเย็บดียวะพระอินทร์เนี่ยเพราะนก็เลยหายปั๊บขึ้นไปสู่สวรรค์คือเก่าบาฮาเนี่ไอ้นุ่มเนี่ก็ได้หมอแล้วก็ล่วงเมื่อเข้าไปแล้วก็สื่อสิ่งสื่อของสื่อของใส่มาไม่ไม่ไมักนกระดีแล้วเมนบอระเพราะมันเคยถูกเคยจนมาแล้วเด้ ดีป่านยังเราไปซื้อคิงนิ่งเราไปพ่อต่อม่าต่อม่าวันนี่รวยขึ้นรุ้ยขึ้นรุ้ยขึ้นเนี่ยวันนี้อยากเอาย่ำไดก็ได้เพราะมันเงินอยู่ในหม้อเห็นเด้อล่วงมือเขาบดได้ก็อยู่ในหมอ้อบาหาต่อมากับพวกขี้เราดุนไฟเกามันกับเขามาเอกบาดนี่ลูกพี่บ่เลีเ้ยงในบ่อเอาไปมาลูกพี่นี่ก็เห็นกิเลสเก่าขืนมาเอกคนออกไปเอาไปมากับเลี้ยงมู แต่ต่อมาเ ก, กิดเลี้ยงมูกเกิดเลี้ยงจบของน้าพร้อมนะ่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมากกเขาอีรอบเกาอีคือเกาแล้วบัดเนีเออเขาอีรอบเกาบาได้พอกินเหล้าเข้าไป้วบาดขึ้นสนุกจช่ไดมเพื่อนยนห ม, นนมอขึ้นฟ้าใช่แล้วมันนี้ยยนแล้วก็ฮับโยนแล้วก็ฮับโย่นแล้วก็ฮับเพื่อ น, นไปบาหอะไรฮับอะไรทั้งขี้เหล้ามันตาล่ายได้เป็นวันระบาดเนี้ยเออมันตาล่ายยนขึ้นไปกับพัดลงมากกับต๊กปูลงมาก้อนดินใช่ไหม มอแตกบาดนี่โอ้ยนางจุกปุกเลยบาดนี่เออพอได้สดก็เลยมองมีเงินสีจกบาดนี่พราะมันมอแตกเลยเดี๋ยวเอาไปมากก็นเลยจนคือเก่าพอท่านตายอีกคนเนดะียวจนรอบสองพระอินอยู่ทั้งฟ้าเพิ่งนะโอ้ลูก ơi. เอ้วิ่งงานงโงน่นี่เลี่ยงจากไหนมันก็บอกเจริญเป่นวะเออวิ่งงานงโงน่นี่เลี่ยงจากไหนมันก็บอ บ่อขืนบ่อเกินเออสี่เลี่ยงสี่ซุบสี่ธนุธนอมปันได้สีสร้างสีสอนปันได้มันก็บ่อขืนบ่อเกินเพราะวิญญาณมันโงอคุณว่านี่แหละขอให้ฟังเอาไว้เนี่ยพวกเข้าท่านทางหลายเนี่ยแครนว่าพวกเข้าคือทุกขู่ทุกข้นที่นางฟังอย่างนี่แหละเอ่อบอวาเอ่อบอวาพระบอวาเน่นบอวาคูบาอาจารย์บอวาขนระดับใดแครนว่าอยู่บอคิดบออ่านเป็นวิญญาณงอได้คุณว่า เพราะนั้นต้องสำรวมต้องระวังสิ่งไหนที่มั่นบอดียาคิดยาพูดยาทำในสิ่งที่มั่นบอดีให้สำรวมระวังเอาไว้คานว่าเฮ้าสำรวมระวังเอาไว้แล้วนั่นแหละต่อไปพพ่ภาคนาจะเป็นคนดีนั่นแหะอันนี้เราวิญญาณดวงนั่นแหละเหตุที่มากเกิดเป็นลานอนาธาบิดีกาเจตีในวิญญาณดวงที่เฮ้าเลี้ยงนั่นแหะมาพบนี่ซานอิมมันก็นยั ง, งโงอีกคนว่านี่แหละ ขอฝากไว้คับพี่นอ้องคณะท่าญาติโยมลูกหลานทุกหูทุกคนเนะ้อนี่แหละเรื่อง อ, อชาดกเพิ่นสอนไว้เพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับพวกเข้าท่านทางหลายสีท่านสินสิ่งใดก็ตามที่มั่นบด่ดีอย่าเฮ็ดยาผูดยาท่ำท่ำแต่สิ่งที่มั่นดีเป็นสินเป็นร่ำพวกเขา ม, มีแต่ความจเจริญรุ่งเรื่องไปในสถานที่ใดก็พร้อมกันเนะ้อหลวงพ่อข อ, อยําเตือนพวกเข้าท่านท้งหลายได้พบ ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่กู้บาอาจารย์สายหลวงปูหมันของพวกเฮ้าเอีอย่างที่หลวงพ่อเขามาถามเมื่อกี้นี่หลวงพ่อว่าเขาถามว่าหลวงพ่ออินที่เหตุจังใดสิเขาประช้าค่มอาเซียนนี่เฮ้าสิเขาจังไดเอ่สิ่งจะมองบ่เสียเปียบเขาเอสยเอาจังไดสิสิ่งจะเจริญลุงเรื่องในหลักธรรมข้ามสอนของพระพุทธเจ้านี่เอ่ มันมีแนวทางที่จะผ้าดําเนิ่นไปในทางที่ถูกต้องดีงามมีรักอย่างแน่หลวงพอก็บอกว่าเออสําหรับหลวงพอนี่อยู่ในป่าในหลงพงไผ่เป็นพระมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเป็นหลวงปูหลวงตาปานนี่แหละหลวงพอมองว่เห็นอย่างอื่นนอกจากศีลหาเนี่ยหลวงพอวานะศีลหาของพระพุทธศาสนาศีลหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยละถ้าว่าทุกคนมีศีลหาละไรมีแต่ความเจริญ อ, อย่างเดียวนั่นอะ บ่มเบียดเบียนกันบอกขโมยกันเคาลบซิดสามีภรรยากันยากีตัวกันยาต้มตุนหลอกล่วงกันยากินเหล่าให้ขาดสติอันนี้แหละคือศีลหาจากนั้นคารวัตธรรมเนะาะคารวัธรรมคือให้มีสัจจะต่อกันการอยู่น้ากันให้มีสัจจะธรรมะให้รู้จักคมจิตของชมใจเจ้าของขันติให้มีความอดทนจาขะให้มีการเสียสละต่อพีต่อหนองต่อเพื่อนต่อฟูง ต่อว่งสาขานายาดเนี่ยแหละมีแต่ความเจริญแล้วก็ให้เคารพทิศทั้งหเอทิศทั้งหนคือยังพวกเข้าอย่างนแต่ทิศทั้งสีเออหรือทิศทั้ง8ดทิศทั้ง4ีคือยังทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิศทั้งหไอ้ทิศทั้ง8คือยังอาคเนบูรพ่าผ้ายับน่อันนั้ทิศทั้ง8ดทิศทิศทั้ง6นี่พวกเข้าบวเคยได้ยิ่งบันทีหลวงพ่อจีว่าทิศทั้ง6ให้ฟังเนอในหลักธรรมค้ามสอนของพระพุทธเจ้าพนว่า ผู้ใดก็ตามให้นอบนอบ้นอมคลวะกราบไหว้แอบยอมรับแอบยินดีกราบไหว่ต่อทิด ท, ทั้งหมีแต่ความเจริญด้วยโซนโซนเดียวมีแต่ความเจริญโด ย, โดยส่วนเดียวทิด ท, ทั้งหคื อ, อ้นยัง้ททยงทิดบั้งนาขิ้นบั้งนาก็คือข้าเกิดมาพ่อข้าเกิดมาแล้วเขาเริ่มตาเห็นพอเห็นแม่กอนมูได้แม่นบลา เออพอพแม่เลี้ยงดูห้ามาได้ห้ามเรลื้องตาไปเห็นพอเห็นแม่นี่ยแหละทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเมื่อบานดาบิดาเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญรูธิส่วนกุศลให้ท่านฮะอันนี้คืนอนาทีของลูกสาวลูกชายเออ เมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วพยังคฆให้พลปาร์ดลาเลยได้เพราะเหตุดใดเพราะร่างกายของเฮาเนี่ยังของเพลินเน่ยยังอ ย, อยู่กับเฮาอยู่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งี่เป็นของไผ่เอามาจากไผ่เอามาจากพ่อจากแม่เพราะนั้นเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วสมบัติของเพลินกันยัง อ, อยู่กับเฮาอยู่ให้อุทาบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลหาพ่อหาแม่เน้ออันนี้คือทิฏเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาให้เคารพศีลซึ่งกันและกันเน้อ อย่าไปร่วงล้าอธิปไตยซึ่งกันและกัน อ, อย่าไปนอกใจกันให้หักกันให้มีเมตตาต่อกันก่อนจะได้เป็นสามีภรรยาเขาคือคู่หัวผัวเมียก็คงจะเคยสังสมบุญบา ร, รมีมา่นนำกันน่านต่อหน้านแล้วอย่างไรไม่อยู่น้ากันอย่าไปเป็นคู่หักอย่าไปเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตบาดหมางกันให้มีเมตตาต่อกันให้มีความหวังดีต่อกันให้เคารพสิทซึ่งกันและกันเนอ คันว่าพวกท่านทางหลายมีความหักขอ้อรบในสามีภรรยาในคู่ครองแล้วมีแต่ความเจริญอันนี้ก็คือทิีเบืองหลังคิดบืองขวาคูบาอาจารย์พวกเฮ้าเกิดมาต้องมีคู่บาอาจารย์โมเมนติที โ, โล่พรเลขขึ้นมาเลยก็จะเลี้ยวฉลาดโมเมนต์เนาเกิดมา ก, ก็ต้องเขาลงลำ้ำอันดับแรกก็คือพอแม่ของเฮ้าเนี่แหละเป็นผู้สอนก่อนโม พ่อแม่ของเขาเป็นผู้สอนก่อนมูดแบบเป็นบุพภาอาจารย์เป็นอาจารย์ของบทท ธ, ธิดาต่อมาพ่อแม่สอนหลักผนกนระสงเขาโรงเรียนปถมปมัธยมปริญาตรีโทเอกจากนั้นพ่อจบหลักการนงมาฝึกวิชาอาชีพวิ ช, า, า, ชาับรปดวิชาทักลอยวิชาเย็บจักวิชาทำเอาหงอาหารมากไม่ต่อตลอดถึงวิชาสอนเรื่องพระพุทธศาสนา อให้สู้จักสินหูจักถ้มเรานี่เป็นต้นนะอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคู่บาอาจารย์เพราะนั้นคนเข้าต้องมีคู่บาอาจารย์เห็นคู่บาอาจารย์เข้ามาในวงสนทนาและเข้ามาในวงการให้ลุกขืนยืนหลับไปคอยรับใช้ด้วยเสื้อฟังด้วยอุปถากด้วยเรี่ยนศิลปวิทยาจริงที่เขายังจะเลี่ยนอีกโยให้ละเข้ารลบเพิินอันนี้คือคือนาทีของศิษย์ทั้งหลายเทศเบื้องใายมิดสหายพวกเข้าต้องมีมูอมีเพื่อน คันรบว่าบม่มีมูมีเพื่อนบม่มีมีบ่มีสหานี่ยการทํา ม, มาค้ า, าขายบาจเจเริ่ญนเด้เิลวาง้นสันการระยะนามิดเป็นสิน่งที่จำเป็นสำคัญย่างมากจะไปฮักนาฮักลังเขาให้มีสัจจะอ่าคันว่าทัพ ม, มาค้ า, า, าขายยังก็คือกันคันวานได้จังดขาดทุนจังไดกาไรจังไดส่งคลืนมือใดสินค้าจะตกมือใดจิตใจเงื่อนมือดใดก่มีสัจจะโต้กันนี่แหละเกิดระยะนมิด ขันผู้ใดมีกาลย่านในมิตรที่ดีไปมาหาสู่กันมิแต่ความเจริญอันนี้ก็คือทิศเบื้องทรายมิยสลายทิศเบื้องตำหนูกต่องบริวานกันว่าพวกเขามีบริวานดีหนุกน่องดีเข้าเป็นเจ้าน่ายเข า, เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาก็ต้องเบื้องบริวานของเขาเก็เจ็บไข่ได้ป่วยจังไดเขาขาดเหลือขาดตกยังเขาเดือดร้อนอยังอันนี้เขาก็ต้องเบื้อง คานว่าเฮ้าเบื้องเขาดเีเขาก็ให้ความอบอุ่นเขาค่ะทำการทํางานให้เฮ้าจางสุดจิตชุดใจขึ้นกันคานว่าเฮ้าไม่แต่เอารัดเอาเปรียบเขาเขาเขาจะดีกับเฮ้าใดจังใดเพราะนั่นแนหะทิศเบื้องต่ํำลูกน้องบริว่านไข่เบื้งองไบรน เ, บไเนอทิศเบื้องบนสมณพรามณ์สมณะ พ, าณะพ่างไปขึ้นนักพจน์นักบวชอย่างที่ลงพอนี่แหละบอกกาวแนะนาสั่งสอนพี่น้องประชาช้อนสัทธาญาติโยม อันนั่นดีอัน น, นั่นซัวอันนี้ควนบอกขรนเนอคณะสัทธายาดโยมหลูกลานเนอะให้เป็นคนดีเนอะนี่อันนี้คือสมณะพราดคนว่าพวกเข้าบอกเคยเขาไปหาสมณะพราดบอกเคยสนทนาปาลบมีตะ ก, กูนี่กูเกงกูเกงกูเกงเอาไปมากก็แจ้งได้คือกันเด้เพราะทิฐิมานะมันสูงขึ้นไปเรื่อยเ่ามีผู้ใดสอนเด้เพราะนั้นขอให้พวกเขานะคณะสัทธาญาดโยมในละดับทิฏฐังหก ตีพระพุทธเจ้าเปนวาคันว่าพวกเข้าอยู่ในทิศทั้งหกเคารบทิศทั้งหกคารวะทิศทั้งหกกราบไหว้นอบนอบทิศทั้งหกมีแต่ความเจริญด้วยส่วนเดียวทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่ทิศเบื้องหลังสามีภรรยาผัวเมียทิศเบืงขวาคู่บาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องตั้มลูกน้องบริวารทิศเบื้องบนสมณะพราม์ให้พวกเข้าเคารบให้หูจัดสัมมาคารวะต่อทิศทั้งห มีแต่ความจะเลิศโดยส่วนเดี่ยวนะในขอฝากไว้กับพี่น้องคณะ ท, ะ ท, ะทะา่าหยาดนมลูกหลานทุกขู่ทุกคนเนอะแล้วก็พ้องกันคนเท่าเกิดมากนะเออพ่อมี่พลายศรอยู่ชั่วฝาดินสลายตายทุกค น, นเดะเห็นบ่หลงปูสอนเนี่ยเพิ่งกิดตายฮ่อเบิงแล้วเนี่ยพวกข้าวที่มาสร้างท่าสั่งในกระดูกของเพิลนเนี่ยชีวิตของพวกข้าวเป็นสิ่งละแต่ว่าตายแล้วบ่อสูญเนอนี่แหละให้ฟังเอาไว้แต่ น, นี่คำว่ า, าตายแล้วบ่อสูญตายแล้วเกิดอีก เ, เกิดอี่นคือจังไรพระพุทธเจ้าพ่อแม่กู้บาจาร์ลงปูลงตาเพิ่นสอนว่าร่างกายของเฮ้านี่มีศาสตร์ีดินน้ำลมไฟตายออกไปเผาไฟทิมอิลีแต่ว่าจิตใจคือน้ามาท่ำหวงนั้นนะพอตายเด้เอใครข้าวหลวงพ่อเปียบเทียาไม้ฟังว่าคันพวกเฮ้าอยากจะงูนะให้นั่งพ่วนหน้านาั่งพ่วนหน้าจิตใจสงบร่วมสงบลงเป็นนึ่งละ จะหู้จักเล้วด้วยตนเองร่างกายคือกันกับรถเนี่ยนะเออแต่ว่าจิตใจคือน้าบรรทัศน์คือกันกับข้นขับรถข้นขับรถกับรถถึงพอมันอันเดียวกันเดคนนั้นเนวกันเดเออขนรถมันจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับนี่คือกันร่างกายของห้องคือกันขับรถแต่โซเฟอร์คือกันกับข้นขับรถแต่พระพุทธเจ้าเพื่อให้ความสําคัญค้นขับรถมากกว่ามากกว่ารถ เพิ่นจงว่ายกเป็นบาลีเพิ่นว่ามโนปุพังฆมาธรรมามโนเศรถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจสรบแล้วก็คือว่าในร่างกายของเฮ้านี่ในรถของเฮ้าคันนี้นะ่ยโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จด้วยโซเฟอร์เนาะขั้นโซเฟอร์นี่เออขืนขี่รถขั้นนี้แล้วน่ย จะไปขับไปเหยียบไพก็ะไดเอ่อ บ, บีบแกดาวไพรก็ไดเอ่อบีชนไปเฉียวไพรก็ไดเอ่อลดขั้นนี่เพราะว่าโซโฟเฟอร์นี่เออโซ่เฟอร์คันนี่เป็นผูกขับรถนี่คือกันร่างกายของเข่าคือกันใจคือกันกับโซ่เฟอร์ดน่ะพี่น้องลูกหลานคณะสัทธาญาณโยมนะกันพวกเข่าอยากจะหูให้นางพ่อวานาพ่อนางพาวานาพวกเขาจะหู้ได้ด้วยตนเอง บาฮาตายไปดิร่างกายตายได้ภายในโซเฟอร์ตายได้ไปอยู่ในพงใหญ่ได้โซเฟอร์ออกจากรถแด้บาดเนี่เออโชเฟอร์ออกจากรถไปดิเห็นยังไงโชเฟอร์ออกจากรถล่ะยิบไปไส่ั้นโซเฟอร์ขีดทุกขั้นโซเฟอร์มีแต่กินเหล่าโซเฟอร์โบสเสื้อว่ามีบุญมีบาปไปตั้งหากนะโซเฟอร์แต่จะออกมาจากรถกูโอ้ยฮมีแต่ผ่าจำตูดแล้วไปเพราะเห็ุใดบ่มีผ่าที่นองอีกเนี่เพราะเหตรเพราะพอได้สั่งบุญสั่งกุศลไวไ้เลย เพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระองคจะตั้งอยู่ในความประมาทหน้าหลูกหลานหน้าตายละพศูญเนธออกจากร่างนั่นน่ะให้สรั่งบุญสร้างกุศลไว้ให้ทําบุญท่ำกุศลไว้ให้ท่านรักษาศีลพาอวะหน้าไว้เน้อให้สั่งสมหาเงินไว้เน้อขั้นนะว่าตัวเองกี่ข้านหาเงินน่ะพ่อรถขั้นนี้มรสภาพแล้วนั่นตัวเองที่หาเงินใสล่ะเนอสิ ง, งินไปใส่ไปซื้อรถขั้นอื่นอีกหล่ะมันบม่มีเงินสี่สื่อได้ พอ่อในให้เตรียมไปเ น, น่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน่าให้สร้างสมคุณงามความดีไปเน่านี่แหละเพื่นสอนโซฟเฟอร์วนไปพนั้นขอให้พวกเ ข, าขารราารร้าคณะทัทธาญาญมลูกหลานทุกคนเน่ามือ่อถึงหลวงพ่อได้เบาแนวความคิดให้กับคณะทรรัตธาญาญมลูกหลานกู้บ่ายจานน้องนุ ง, งทั้งหลายเพื่อเป็นแนวความคิดกับพวกเข้าท่านทั้งหลายในการกล่าวและการพูด สัมโมโธนิยกฐานในเมนี่ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภาษีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยบุญบา ร, รมีพ่อแม่คู่บาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาโดยเฉพาะยังยิ่งหลวงปู่หลวงลุงปู่สอนที่อธิษฐานเป็นอยู่ในนี่ขอให้คุ้มครองบุญบา ร, รมีของเพนคุ้มครองขอให้ลูกหลานทั้งหลาย